อย่าพากันเกียดคิ้านตกเพราความเกียดตค้านนี่แหละเป็นเหตุให้คนเราตกทุกข์ได้ยากลาบากอยู่ในโลกนี้นะมันไม่มันขยันทำความดีก็เชื่อกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงคนเราเกิดมาในโลกนี้นะ ให้เข้าใจมันมีกรรมอยู่สองอย่างติดตามชีวิตยอยู่เนี่ยถ้าว่าจิตไม่ไม่คิดไปในทางดีไอความชั่วมันก็มาชวนคิดไปในทางชั่วมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะต้องให้เข้าใจถ้าจิตมันคิดไปในทางดีพอใจในความดี แล้วอย่างนี้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความชั่วมันจะเกิดได้ก็เพราะบุคคล น, นั้นทิ้งความดีไม่ยึดเอาความดีเป็นอารมณ์ในใจอันนี้แหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอารมณ์ที่ควรคิด อารมณ์เป็นเครื่องผูกจิตไว้ในทางที่ดีแต่พุทธศาสนกชนทั้งหลายไม่ค่อยทำตามเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าถ้าใครเป็นคนชอบกระด้างกระเดืองมีใจกระด้างกระเดืองไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกข์อย่างนี้นะ พระองค์เจ้าขอทรงสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆเมื่อผูดด้ใดมองเห็นว่าชีวิตนี้มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เะนั้นแล้วอันความที่เคยแข็งกระด้างกระดึงมาแต่ก่อนมันก็อ่อนโยนลงเพราะว่าเมื่อตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปสักอย่างมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเท่านี้ติดตามไป เมื่อผูใ้ใดรู้ได้อย่างนี้แล้วเอา้าสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็ไม่ยึดถือเอาเลยนนะเพราะว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้เอา้ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขทุกคนต้องการความสุขเมื่อรู้ว่ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้แล้วมันก็ยึดเอากรรมดีนะั่นเป็นอารมณ์แบบนี้ เนยึดเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นอารมณ์ในที่ท่านสอนให้นึกถึงคุณพระรัตนากายโดยด ย, อดยอด่อๆเพื่อให้ใจมันแน่วแน่ลงเป็นหนึ่งนั่นก็ได้แก่พุทโธหรือว่าผู้ที่นึกธรรมโมมันใจมันสบายมันเยือกเย็นอย่างนี้ก็นึกธรรมโมเป็นอารมณ์ พูที่นึกสังโคไปบ่อยๆใจมันสงบใจมันตั้งมั่นลงได้ก็นึกสังโคเป็นอารมณ์ไปไม่เลือกเวลาอันนี้นะเมื่อเรานึกพระคุณทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอีอย่างสองอย่างนั้นมันก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เรา เอาพุทธคุณหรือธรรมคุณสังคคุณเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตแต่ละวันแต่ละคืน น, นี่จิตมันก็ไม่ได้น้อมไปในทางชั่ววันนี้นะจิตมันก็ไม่ได้น้อมไปทางโลภทางโกรธทางหลงจิตมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองกับใครเลย พระองค์วางพระองค์เสมออยู่อย่างนั้นเป็นตัวอย่างของชาวโลกตลอดถึงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้พระสาวกที่ปฏิบัติตามร่องรอยของพระศาสดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็วางตนตามพระองค์นั่นแหละแม้ว่าท่านจะมีคุณวุฒิอันสูงอย่างไร เป็นอาคสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นสาวกผู้มีฤทธิ์มีเดชมากได้รับความยกย่องจากคนทั้งหลายอย่างไรท่านก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระดึงเลยท่านก็วางตนเสมอในบุคคลทั่วๆไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมอันบริสุทธิ์คุณธรรมอันดีเลิศ เมื่อมีเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีปกติกายวาจาใจสม่ำเสมอไม่ถือตัวไม่แข็งกระด้างต่อใครต่อใครเลย อ, อย่างนั้นนะอันนี้แหละปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเนะ่ยเราต้องนึกถึงพระคุณของท่านมาเป็นอารมณ์อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าจะบริกรรมแต่คาถาหรือว่าแต่พระคุณเท่านั้นอย่างเดียวเรายัางพิจารณาเห็นเพระคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของท่าน่ะทําให้ท่านเป็นอย่างไรอย่างไรเราก็พิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเราจะมานึกว่าอือันนั้นท่านอันนี้เราเราไปทําได้ยังไง เราไม่ใช่ท่านเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระอระหันต์เราจะปฏิบัติอย่างท่านนั้นได้อย่างไรถ้าไปคัดค้านอยู่อย่างนั้นแล้วผู้นั้นจกไม่เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่พึ่งเลยนี่ต้องให้เข้าใจเราปฏิเสธนี่ถ้าคนมีปัญญานะเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลย เมื่อเรานึกถึงพระคุณทั้งสามนั่นมาแล้วเห็นว่าเป็นของประเสริฐจริงอย่างนี้แล้วนะเออทําอย่างไรหนาะเราจึงจะถึงพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึงได้เออมันก็ต้องดํำรี่อย่างนี้แหละพราะเราเลื่อนใสนี่เห็นว่าพระคุณเหล่านี้นะ่ะเป็นของสงบระงับเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยกับสิ่งใดทั้งหมด อ, อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่มีเวรกับใครเลยไม่ได้ทําใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะ แต่มีแต่ผู้อื่นนั่นแหละประมาทพระองค์เบียดเบียนอิจฉาพระองค์แล้วก็กรรมของตัวเองกับทำลายตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างเช่นพระเทวทัตยอย่างนี้แหละพระเทวทัตจะเบียดเบียนพระองค์อย่างไรอย่างไรพระองค์ก็ไม่ตอบโต้เอาไปเอามาพร ะ, พระเทวทัตกบแพ้ภัยตัวเองไปเป็นอย่างนั้นนี่แหละ เราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนนะ่ะก็ต้องฝึกตนตามร่องรอยของพระศาตราหรือของพระสาวุกพระอริยะบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจึงยศสมกับว่าเราเรื่อมใสนี่ต้องคิดให้ดีคําว่าเรื่มใสนี่ก็อยากจะเดิ น, เ ด, นเดินตามหลังท่านนั่นแหละเหมือนอย่างในโลกนี้แหละเอาเรานนาถือผู้ใด ว่าท่านผู้นั้นทรงคุณวุฒิอันดีงามอย่างนี้นะเราก็อยากเข้าใกล้นี่อยากเดินตามสนใจอยากศึกษาความเป็นไปของท่านผู้นั้นสำหรับคนผู้หวังดีนะนั่นแหละเรายังเรายังสนใจนี่แม้คนในปัจจุบั น, นะนนี่นะนันและแล้วเทาไหนล่ะอันพระพุเทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเอกในโลกแกท้ เราถึงจะปฏิเสธว่าอืออันนั้นพระพุทธเจ้าอันนี้เราเราจะไปตามหลังพระองค์ได้ยังไงอันนั้นเรียกว่าเรียกว่าลดตัวเองลงต่ําที่สุดเลยไม่ไม่คิดพยายามยกใจของตนให้สูงขึ้นตามพระพุทธเจ้าไปพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านะ่ะพระองค์มีพระประสองค์อยากให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนะี่ย เดินตามหลังพระ อ, องค์ไปแม้พระสาวกสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็เหมือนกันนะก็ต้องการให้พุทธศาสนกชนทั้งหลายเดินตามหลังท่านคือหมายความว่าเมื่อท่านนาเอาคาสอนของพทธเจ้าไปแสดงแนะนาสั่งสอนแล้วอย่างนี้เราก็พยายามปฏิบัติตามเลอ ก็ น, นั่นแหละได้ชื่อว่าเดินตามหลังพระอริยเจ้าไปเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติมาอย่างนี้อคล้ายกับว่าท่านพูดอย่างนั้นแหละข้อปฏิบัติเหล่านี้ท่านดําเนินมาแล้วอืมทําให้กิเลสตัณหามันเหือดแห้งไปจริงทําให้ความทุกข์ทางใจนี่ยมันเบาบางไปจริงอืมดังนั้นท่านจึงได้แนะนําสั่งสอนพุทธศาสนาที่กระจนทั้งหลาย ผู้ที่ยังมีกิเลสปัญหายังทนทุกข์ทนภัยยังไม่ได้ให้พยายามประพฤติปฏิบัติตาม <c oughs> ก็ให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้นะ <c oughs> ถ้าไปละเลยไม่นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์แล้วมันยิ่งไปไกลหละความประพฤติ หาความสงบระงับไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันไม่ถูกทางอันนั้นอ่ะก็พระองค์สร้างบา ร, รมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากลัปนะมาตัดรูปเป็นพระเจ้าแล้วก็มีพระประสงค์อยากจะจูงคนให้เดินตามหลังพระองค์นั่นเละพระองค์ไม่ประสงค์อย่างอื่นนะนีต้องให้เข้าใจถ้าว่าพระองค์ไม่ มีพระประสงค์อย่างนั้นแล้วเพราะองค์ก็สร้างบา ร, รมีเป็นสาวกธรรมดาเนี่ยสร้างมาอย่างนานก็แสนกลับแล้วก็เต็มบริบูรณ์แล้วบา ร, รมีนั่นออกบวชตัดสรู้สําเร็จอรหัตตผลแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปท่านพระสาวกสงฆ์นี่ไม่ได้สงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้มากมายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่ไมเฉพาะแต่สงเคราะห์หมู่มนุษย์เท่านั้นสงเคราะห์ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานสงเคราะห์ตลอดถึงเทวดาอินพรหมยมยักษ์ต่างๆสัตว์เดรัจฉานผู้มีบุญวาสนาพระองค์ก็สงเคราะห์เพราะว่าพระองค์รู้ด้วยพระญาณอันประเสริฐเช่นอย่างช้าง ป่าเลไลลิงอยู่ในป่าหิมะพานนั่นทรงพิจารณาเห็นว่าทั้งสองท่านนี้เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบา ร, รมีปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมะพานนั่นช้างเห็นพระองค์เข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสลิงเห็นเข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใส ได้ปฏิบัติอุปถากรองนำผลไม้มาถวายนำพึ่งรวงมาถวายอันช่างนั้นนำเอาหัวบัวมาถวายพระองค์ให้ฉันนั่นแหละช่างก็ดีลิงก็ดีก็ได้สร้างบารมีได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็มีผลอันเลิศเช่นนั้นแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านี่นะ อันสาวกธรรมดานี่ไม่สามารถที่จะรู้นิสัยวาชนาบา ร, รมีของคนได้ว่าใครเป็นอย่างไรใครอยู่อย่างไรคนจะสงเคราะห์ อ, อย่างไรอย่างนี้เนะ่ะพระษาพวกก็ไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนอย่างของพระเทเจ้านี่เราต้องนึกถึงพระคุณของพระเทเจ้าอย่างนี้เสมอเสมอแล้วเราจะได้ มีจิตใจเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างยิ่งแล้วจะเป็นเหตุให้เราได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยความไม่ประมาทพระองค์สอนให้ละความโลภเราก็ละตามพระองค์เลยเราเชื่อนี้มั่นเอเราไม่โลภเราถือสันตเถีตามมีตามได้ พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือสันติธรรมมีตามได้อย่างนั้นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไม่ให้โกรธเราก็พยายามไม่โกรธ ม, มีสติสมบัติเนี่ยสำรวมระวังจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็สำรวมจิตไว้คมจิตไว้ อย่าให้มันฟูไปรับอารมณ์เหล่านั้นอย่าให้มันวันไหวไปตามอารมณ์ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนี่ก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เรื่มใสพระองค์โดยแท้พระองค์ทรงสอนให้พยายามละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการฝึกสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจนี่โดยเฉพาะเลยทีเดียววันนี้นะ ขั้นภาวนาเนี่เป็นขั้นสำรวมจิตโดยตรงขั้นสินนั้นสำรวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยเป็นอย่างนั้นขั้นภาวนานี่สำรวมจิตโดยตรงจะต้องให้เข้าใจพยายามฝึกสติระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่บ่อยๆออมากรวดดูจิตตัวเองว่ามันเป็นยังไง มันวันไหวอยู่ด้วยเรื่องอะไรนี่หรือว่าตนเป็นโร ค, ครอะไรอยู่ในกายนี่อย่างนี้นะเป็นโรคหัวใจอ่อนก็ให้รู้ตามเป็นจริงว่าตนนด้เป็นโรคหัวใจอย่างนี้อันโรคหัวใจนี้มันชอบหงุดหงิดง่ายพวกพูดอยู่นี้ก็เป็นมาเหมือนกันเลยแต่ก่อนนะใครพูดอะไรมาไม่สบอารมณ์หน่อ ย, ห น, อยหนึ่งก็งุดหงิดขึ้นมาแล้ว แล้วก็พูดคําไม่ดีต่างๆออกไปโดยไม่รู้ตัวพูดออกไปแล้วจึงรู้ตัวก็มีเมื่อรู้ตัวแล้วหากไม่ถือมั่นไว้รู้ตัวแล้วว่าตนพูดผิดพูดพลาดกับท่านผู้นั้นแล้วเขาขอโทษท่านอผมขอโทษไม่ได้แกะไม่ได้เจตนาเลยแต่ละ มันเผลอสติไปยังไงก็ไม่รู้พูดออกไปแล้วจึงระลึกได้ขออาโหาสิกรรมให้ด้วย อ, อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครรังเกียจเลยถ้าก็อาโหาสิกรรมให้เพราะเราลดละทิฏฐิมานะลงเลยเราไม่ได้สำคัญว่าเราดีโดยส่วนเดียวไอ้ส่วนดีมันก็มีส่วนเสียมันก็มีในตัวของคนเราผู้หนึ่งนี้เนะี่ยเมื่อเวลายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุก พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วนั่นน่ะมันก็มีดีมีเสียอยู่อืมอย่างนั้นแหละคนเราพูดหนึ่งๆ น, นี่น่ะต้องให้เข้าใจท่างแต่ว่าบางคนก็มีดีมากกว่ามีเสียบางคนก็มีดีกับเสียพอๆกันอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะแต่อย่างนี้น่ะมันเรื่องนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของใครของเราอ่ะ จะเพิ่งพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองจะให้ผูอื่นนั่นพยากรณให้ตัดสินให้อย่างนี้ไม่ได้หรอกถึงพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็จะไม่ไปพยากรคนทั่วๆไปอยู่อย่างนั้นนะไม่มีถึงพระองค์รู้ได้กะแล้วพระ อ, องค์จะไปทักคนนู้นคนนี้ตลอดได้ยังไงล่ะลองคิดดูอันนี้ พระองค์ก็เลือกทรมานแต่บุคคลที่มีอุปนิสัยแก่กล้าแล้วเท่านั้นแหละคนใดที่อุปนิสัยยังไม่แก่กล้าอย่างนี้พระองค์ก็พยายามพัฒนสอนไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนอ่ยแต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนนะ่ะมันต้องรู้ตัวเองนะการพิจารณารู้ตัวเองเนี่ยสําคัญมากเราจะไปให้ใครรู้ให้ไม่ได้เลยในนั้นนะการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการสํารวจ ดูจิตใจตัวเองนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นได้พยายามเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดภายในนี่เสมอเสมอไปหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้นะเมื่อเมื่อหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นี่มันก็ไม่ไม่ได้หลงไหลไปทางไหนแลยวันนี้นะ หรือว่าหายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทอยู่อย่างนี้เอาคุณพระพุทธเจ้าในภูจิตไว้แบบนี้นะอย่างที่พูดมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละเมื่อเมื่อเรามั่นอยู่ในพุทธโทคุณนี้แล้วจิตจะไม่ตกต่ำเลยนั่นเนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าผู้เป็นโรคเป็นภยัยโรคตับโรคปอดโรคหัวใจ ไว้อะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยถ้าเรานึกพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกอยู่เนี่ยมันจะบรรเทาเออความว่าวุ่นต่างๆไอ้ธาตุขันร่างกายอาวัยวะร่างกายที่มันวิบากพวกนั้นมันก็บัรเทามันก็ไม่กำเริบรุนแรงถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณนี้แล้วนะอืม ลองนะลองปฏิบัติตามที่แนะนําสั่งสอนนี้ไปอย่าประมาทอย่าปล่อยใจให้คิดส้านไปทั่วทั้นอย่างนั้นแล้วผู้มีโรคอวัยวะพิกลพิการอยู่ภายในนี่โรคอวัยวะอันสําคัญสําคัญนี่นะี่ยพอปล่อยใจให้พุ่งไปเทลายโรคนี้ยิ่งกําเริบมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นความจริงนะอันนี้นะก็เคยปรากฏมาแล้ว ถ้าเมื่อใดควบคุมจิตได้จิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีอย่างนี้นละโรคอันนั้นก็รู้สึกว่าเบาไปไม่กำเริบรุนแรงนี่เป็นอย่างนั้นโรคอรวัยวะส่วนสำคัญต่างๆนี่ยากที่จะใช้ยาภายนอกนั้นบรรเทาให้หายขาดไปได้ไม่ได้หรอก เช่นหัวใจอย่างนี้นะเมื่อมันได้พิการลงไปแล้วมันยากที่มันจะดีปกติคืนได้ฮะตับปอดบนนี้เหมือนกันนถ้ามันลงได้วิบัติลงไปแล้วนันว่าอย่างมันถูกยายาลังับไตเพียงต่บรรเทาไปเท่านั้นเนี่ยจะให้มันดีเป็นปกติคืนนี่ไม่ได้เนาะจะอย่างนั้นเราต้องภาวนาดูให้รู้ อ่านดูอวัยวะน้ยใหญ่ในร่างกายนี่ให้มันเห็นนี้มันรู้ว่ามันวิบัตส่วนไหนมันไม่ดีมันเป็นอย่างไรเราต้องทําความรู้เท่ามันไปเอาร่มมันกําเลิบลมมันวันไหวลมมันแปรปรวนแล้วก็รู้เท่ามันไปอันนั้นก็ธาตุลมมันไม่เที่ยง